วันอาทิตย์ที่11พฤศภาคมพศ2540เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจญสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตที่อรพระสูตรวันนี้เป็นสูตรวักที่เจสูตรที่เจชื่อพระสูตรนั้นคือนละกาลาปิยาสูตรคำว่านละ กาลาปิยะนั้นแปลว่ามัดไมอ้อโดยเนื้อหานั้นก็ว่าในเรื่องของชาลาและมรณะเป็นต้นเนี่ยว่าใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาหรือพูดง่ายว่าเป็นการพูดตัวเรื่องของชีวิตกับสิ่งที่เป็นผู้สร้างชีวิตหรือเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดชีวิตว่าคืออะไรกระสูตรนี้ <c oughs> เกิดขึ้นที่ปายสีปะตะมะรุกทชายวันกรุงพารานสี ความว่าสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกติตะอยู่ณป่าอิสิปตนะมรดกไทยวันกรุงพาราณสีทั้งนั้นแลเป็นเวลาเย็นท่านพระมหาโกติตะออกจากที่พักผ่อนเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้ปรสาสัยกับท่านพระสารีบุตรทั้งผ่านการปรสาสัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงต้นสุดซึ่งมีท่องเรื่องว่าพระเจระทั้งสองท่านนี้เป็นฝ่ายเลิศด้วยปัญญาพระสารีบุตรนี่เราก็รู้ว่าท่านเป็นใครเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและได้รับยกย่องจากพระผู้มีพรภาคว่าเป็นผู้ที่เลิศทางปัญญากวา่าพิสูจอื่นทั้งหมดสําหรับท่านมหาโกติตะนั้นท่านก็เป็นรูปพามเหมือนกันเหมือนกับท่านพระสารีบุตรครับเพียงแต่ว่าทาพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นรูป ลูกพรามเมืองนาลันทาในแคว้นมคฏส่วนท่านมหาโกติตานั้นเป็นบุตรพรามรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นชาวเมืองกรุงสาวัตถีเมื่อได้มาบสถในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับยกย่องในทางปัญญาคือเป็นผู้เลิศในด้านของปฏิสัมพิธายานก็คือพระมหาโกติตานั้นเมื่อจะคิดก็จะคิดธรรมะได้อย่างแตกฉานลึกซึืงเป็นเชิงวิธธรรมนี่และครับและเมื่อจะถามก็จะถามอย่างอแยบยลหรือคืง เมื่อจะตอบก็จะตอบอย่างเป็นผู้มีปฏิพัณธ์ลึกขึ้นในธรรมจึงพบว่าท่านพระสัทีบุตรกับท่านมหากโกติตานั้นได้สนทนาธรรมกันมากที่สุ ด, ดเรื่องของสภาวธรรมขั้นลึกแต่เมื่อมาเจอท่านพระสัทีบุตรแล้วก็ปรากฏว่าท่านมหาโกติตานั้นมักจะเป็นฝ่ายถามท่านพระสัทีบุตรโดยมากจะเป็นผู้ตอบสองท่านนี้ก็มาพบกันในครั้งที่มาจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน ใครที่ไปอินเดียก็จะนึกถึงภาพออกทีเดียวครับแซึ่งเป็นบริเวณที่มีทำเนรรียร์กษัตริยเป็นหลักอยู่ครับแล้วก็ในบริเวณโดยรอบนั้นก็เป็นวัดอยู่โดยรอบในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นวัดป่าการทั้งหลายเมื่อไปจำพรรษาที่นั้นก็จะแยกย้ายแต่จำพรรษาอยู่คนละที่คนละแห่งเวลายเย็นก็มาพบกันคําว่าออกจากที่พักผ่อนนี้หมายถึงการพักผ่อนของพระสมัยนั้น จะหมายถึงการเข้าสมาธิเข้าภาวนาะนั่นคือการพักผ่อนที่ท่านพูดถึงแต่ที่เข้าไปหาธรรมสารีบุตรนั้นก็ท่านจะรู้กาลรักกันล้วครับว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่ควรไปหากันเวลาไหนเป็นเวลาปฏิบัติธรรมเราอยู่กันมานานจนรู้อนด้วยธรรมดาอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ด้วยความสามารถทางจิตอีกอย่างหนึ่งว่าสมควรจะไปหรือไม่ก็ใช้การกําหนดจิตดูเอาเมื่อไปพบก็ก็ได้ตั้งปัญหาถาม ปัญหาที่ท่านตั้งถามในสูตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทที่พระสรีบุตรตอบนั้นอตอบปฏิจจสมุปบาทแค่สิบองค์แค่สิบองค์คือตั้งแต่อวิชาย้อนไปถึงชาติพบอุ ป, ปาทานตัญหาเวทนาปัสสาะลายเตนานามรูปแล้วก็ไปจบที่วิญญาณแค่นั้นค่ะ ไม่แสดงเลยไปถึงสังขารไม่แสดงเลยไปถึงอวิชาอันนี้ก็เป็นการแสดงในส่วนขององค์ที่เป็นปัจจุบันกับอนาคตนี่ผมเลยอธิบายนำทางแค่หน่อยหนึ่งก่อนปฏิจจสมบัตโดยเต็มๆ เ, เนี่ยก็จะมีทั้งหมดถึสององค์และแบ่งช่วงโดยกาละคือ อวิชากับสังขารเป็นอดีตอดีตกิเลส ก, กับอดีตกรรมอวิชาเป็นกิเลสสังขารเป็นกรรมที่บุคคลเมื่อได้ทําไว้ในอดีตก็กรรมสนุนันทแล้วก็กิเลสที่เป็นตัวมูลเนี่ยก็มาส่งผลให้ปฏิสมธิวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นแล้วก็กระบวนการของการเกิดใหม่การรับรู้อารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นเป็นแถวเป็นแนวตา ม, มาตัณฑ์วิญ ญ, ญาณ น, นามรูปสลายจหนา้าปัสสาะเวทนา ตัญหาอุปาทานปบเพราะนั้นอช้ช่วงช่วงก่อนที่ผมจะพูดถึงปัจจุบั น, นเนี่ยขาเลยไปถึงอนาคตคือวิบากในอนาคตได้แก่ชาติกับชารามรณนะแล้วก็ถ้าว่าโดยพิสดานจะเติมสโสกกาปริเสวาทุกขโทนนัตอุปายากไปด้วยอันนั้นเป็นส่วนของอนาคตซึ่งเป็นการเน้นในเรื่องของวิบากนะอนาคตนเน้นเรื่อ ง, องวิบากอดีต เป็นเรื่องของกรรมคือยีเด็งอย่างชาตินี่ก็สงเคราะห์เป็นวิบากชารามรารนาสงเคราะห์เป็นวิบากโอกาสปาลิเทวะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของโทสาเป็นเรื่องของยีเด็งอยู่บ้างแต่ไม่ใช่จุดเน้นเพราะท่านต้องการจะจุดเน้นว่าเป็นทุกข์เป็นของที่เราควรจะถอนตนให้พ้นไปนั่นอดีตอนาคตจุดต่างกันตรงนี้พอมาถึงตรงปัจจุบันเนี่ยครับจะกลายเป็นเรื่องของวิบากแล้วก็กรรม แลือกรรมก็วิบากกิเลสด้วยสามทั้งสามพบหมดเลยอย่างตั้งหนันเป็นกิเลสปาทานเป็นกิเลสยิน ญ, ญาณนามรูปสลายชนะผัดสาเวทนานี่เป็นวิบากก็เอาความว่าปัจจุบันนั้นวิบากกิเลสแล้วก็กรรมกรรมมาอยู่ตรงพ บ, บงจริงพบเป็นทั้งกรรมและเป็นวิบากปนกันอยู่ก็อันนี้ก็ยังยังเป็นเรื่องที่ท่าน อ่ะสังเกต ง, ง่ายๆอย่างนี้นะผมไม่อธิบายลงรายละเอียดอย่างในทางอธิบายภาคละเอียดภาษารีบุตรนั้นสแสดงในสูตรนี้เฉพาะปัจจุบันจับตั้งแต่อ้าพอโทษนะอดีตอนาคตอนาคตจากตั้งแต่ชลาหมรณะชาติไล่ลงมาจนถึงวิญญาณในปัจจุบันมีรูปคูดนิดนึงว่าไอ้ทั้งหมดเหล่านี้มันที่ท่านแบ่งเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเนี่ยครับ ไม่ได้หมายว่าปัจจุบันเราไม่มีวิชาไม่มีสังขารและปัจจุบันเราไม่มีชะละไม่มีชาติไม่มีชรามอนนะแล้วก็ไม่ได้หมายว่าในอดีตเราไม่ไม่ได้มีวิญญาณไม่มีนามรูปเป็นต้นจนถึงภพแล้วก็ไม่ได้หมายว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่มีวิชาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีสลายตระนัปัสสาเวทนาธระหนักปาทานตกมันมีครบทั้งสามการแต่ที่ท่านแบ่งเป็นการแบบแยกขาดกันอย่างนี้เป็นการแบ่งในแง่ของ เหตุกับผลช่วงเหตุกับช่วงผลคืออวิชชาชับกระสังขารเฉพาะในอดีตเท่านั้นที่ทำให้ปฏิสนธิวิญญาณในชาตินี้เราปรากฏวิอวิชากับสังขารในปัจจุบันนี้ผิดผลของมันไม่เกิดในปัจจุบันผิดผลของมันจะเกิดในอนาคตก็เลยดบ่งในแง่ของความสัมพันธ์กันในรูปของเหตุผลว่าเป็นอดีตเป็อนาคตนี่นะ ชาติชะลามรณะก็เหมือนกันก็เป็น ผ, ผลในอนาคตของของพบคือกรรมกรรมมาพบที่เราได้ทําไว้แล้วทำให้มีชาติมีชร า, ม, ชามรณะต่อไปนี่เป็นเรื่องของเหตุผลแต่เวลาเกิดจริงๆเนี่ยคือไอ้ไอ้ของที่มันเกิดในปัจจุบันแบบโม่โม่ส่วนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันพอพูดถึงเหตุผลแล้วต้องแบ่งส่วนเหตุส่วนผลว่ามันไม่ไม่ได้เกี่ยวกัน ดัง อ, อย่างเรามานั่งๆ่งมีความเป็นพ่อแม่ลูกอะไรของเราก็มีอยู่ในแง่ของควา ม, มเหตุผลแต่การที่เรามาอยู่กันเลยไปจับคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่คนนี้ตามใจชอบไม่ได้แต่เราเศราหอละคดลุกคลีกันได้แต่พูดในแง่เหตุผลแล้วก็ต้องแบ่งในเชิงเหตุผลว่าอะไรเป็นอะไรอันปฏิจา์เนี่ยจึงต้องแยกในแง่นี้ให้ออกเราก็ตั้งหลักตรงนี้ว่าสิ่งที่ท่านจะซักถามกันต่อไปนี้ ท่านพระมหาโกติตาเมื่อได้นั่งเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวคํานี้กับท่านพัตตลีบุตรว่าท่าสาลีบุตรชลาและมรณะตนทําเองผู้อื่นทําให้ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทําให้หรือว่าชราและมรณะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทําเองผู้อื่นไม่ได้ทําให้ออันนี้เนี่ยถ้าเราเอาชลามรณะในปัจจุบันตั้งนะนี่ก็ อันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาใช้อีกตอนหนึ่งเรื่องคือนี่แหล ะ, ะ, ะถามว่าขณะนี้เรามีชรามและมรณนหรื อ, อยังเรามีชาติมีชรามมอรณะมีชราม์มอร์นาน ะ, ะ, ะชลาล์มอรณนของเราในขณะนี้เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอนาคตของพบที่แล้วที่มันต่อเนื่องกันมานี่ก็เรียกว่าว่าดันคนเราวงของเหตุผลมันก็ภาพเกียวกันอย่างนี้ แต่ถ้าเราเอาปัจจุบันตั้งตรงนี้ตั้งตรงวิญญาณถึงอะไรกันไรนี่นะไอ้ตรงนี้เป็นปัจจุบันชาติชาลาและมรณะของปัจจุบันตรงนี้มันก็ต้องเป็นอนาคตถ้าเราเอาชาติร า, ามารณะตั้งตรงนี้แลว้วก็พูดย้อนลกลับไปไอ้ตรงนี้มันก็เป็นปัจจุบันนาอวิญญาณเป็นต้นก็เป็นอดีตสุดเลื่องกันเป็นอย่างนี้นะมันก็เหมือนจะสร้าง เราเนี่ยเรามีปฏิจจารซ่อนกันอยู่เป็นสามวงแล้วก็การมันก็เกี่ยวกันการเคลื่อนไปได้ตามจังหวะของวงในสามวงนี้ทีตรงนีนะ้เหมือนกันมาตั้งปัญหากันว่าชรลาและมรณะเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เห็นได้โดยง่ายชาติชรลามรณะโสกับริเทวะทุกขโทมนั้นอุปา ย, ยาตที่เวลาท่านเริ่มพูดว่าชะลามรณะท่านบางทีจะไม่พูดเลยไปถึงโสกับริเทวะทุกขโทมนะว่าไอ้ ความที่เราต้องมาแก่มาตายเนี่ยซึ่งเป็นภัยใหญ่ของสัตว์ทั้งปวงมันเกิดจากอะไรทําไมเราต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเรายกาปัญหาเรื่องความทุกข์ที่พระอริยพูดกันไม่ใช่ไอ้ทุกอย่างเราพูดกันแบบระดับปูมัญญาเราบอ่อยชีวิตเราทําไมถึงเป็นอย่างนี้เหมืออย่างที่คนมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ก็ถามตัวเองหรือถามคนอื่น เป็นธรรมดาไอ้เราก็ก็สนใจแต่เรื่องที่เราเรารู้สึกว่ามันเป็นไอเดีเยเนี่ยนะทุกคนนะเห็นบางคนเป็นโรคทําไมถึงเป็นโรคอย่างนี้บางคนก็ทําอะไรก็ล้มเหลวทุกอย่างบางคนก็ล้มเหลวในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเพราะอะไรเราอยากรู้และผู้ที่เรามักจะไปถามก็คือพระที่นั่งทางไหนบางปหรือผู้ที่ตรงความรู้ในเรื่องของกรรมบ้าง ตอบในเชิงทฤษฎีก็ ด, ดีหรือถามที่เราทถนัดจะถามที่สุดก็คือหมอดูใช่ไหมได้หมอดูพวกดวงเจ้าเข้าวผีกระตามมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ก็จะได้คําตอบหรือปัง่งตื่นบา้าออกมาว่ามันเป็นราะอะไรอันนี้เราก็สนใจทุกนในในจุดนั้นก็หาเหตุในจุดนั้นแต่ระบับพระอริยะเนี่ยทุกอย่างอื่นถือเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดไม่อยู่ในสายตาและท่านเองก็คือเหมือนกับพ้นทุกพวกนั้นไปแล้วโดยโดยธรรมดาเนี่ยนะ อย่างช่นจะเป็นทุกเกลื่องธรรมะกินทุกเรื่องหุ่นท่านก็ไม่ได้นดุ่นอีกทุกเรื่องธรรมะกินนะไม่ใช้ธรรมะกินท่านจะมุ่งพ้นไปใจากไอ้ทุกในระดักของท่านจะทุกในเรื่องครอบครัวท่านก็ไม่มีครอบครัวใจใทุกอีกก็เลยจุดที่เป็นปัญหาเป็นปัของท่านก็คือทําอย่างไรจึงจะพ้นแก่พ้นตายคนทั่วไปอย่างเราก็ไม่เห็นเป็นปัญหาพูดกระทําไม่รู้เรื่องอีก ทีนี้ไอ้เหตุการนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรซึ่งไอ้คำามสงสัยตรงนี้มันก็ไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาเราเขาก็เขียนกันจึงท่านถึงเอาเอาคําตอบที่เขาตอบกันมาแล้วเนี่ยว่าเป็นอย่างนี้พออะไรมีใครเป็นผู้สร้างที่เราตามเดคําตอบจะออกมาเป็นสี่แบบในทุกการทุกสมัยท่านจึงได้ถามเป็นรูปคําถามนําให้รู้ตอบว่าชาลาและมรณะทุกเนี่ย เราทําตัวเราเองหรือเราสร้างตัวเราเองมาหรือจะสร้างดูวิธีใดๆรู้หรือไม่ก็ตามหาคนสร้างให้ได้ก่อนหาคนรับผิดชอบให้ได้ก่อนมีคิดตามด้วยนะหรือคนอื่นทําให้ในพูดตรงนี้ผลเผยเนี่ยเราก็อาจจะนึกว่าเอ๊ก็กรรมเราทําเองอะไรตอะไรเราทําเองนี่จะไปโทษใครล่ะความหมายมันไม่เหมือนกับคําพูดที่ฉันพูดนี้มีความหมายในทางลึกว่านั้นคําว่าตนทําเองที่เขาพูดกัน ในวงนอกของพุทธศาสนาหมายถึงเราเนี่ยเป็นผู้ลิขิตตัวเองแบบพระพรมเราเป็นพร ล, ลิขิตตัวเองในเชิงที่ว่าอัตตาของเราเรามีอัตตาเป็นผู้ทำตัวเราเองให้เป็นไปอย่างไรก็ได้หรือทางพระพุทธศาสนาเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทำเองทำโดยหมายถึงทำอย่างสึกขขัดด้วยอัตตาของเราศาสนาพุทธไม่อธิบายอย่างนั้นแต่ที่เรียกว่ากรรมเราทาเอง สัตว์จะเศร้าหมองก็เศร้าหมองเองสัตว์จะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เองสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเองตนเป็นผู้ทายาทของกรรมนั้นการทำกรรมเช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นอะไรอ่งนะตรงนั้นท่านพูดเป็นเชิงบุคละโวหารแต่อธิบายเอาสภาว่าแล้วมันไม่ได้มีตัวตนคนสัตวเป็นผู้ทํานะแต่คําที่เขาพูดกันและท่านเอามาถามกันในทางพุทธศาสนาเนี่ยตนหมายถึงอัตตาของเราเป็นผู้สร้างโดยประการไม่ใช่ เราไม่ได้สร้างตัวเราเองโดยพลการเราไม่สามารถที่จะเลือกเป็นอย่างไรทําให้เป็นอย่างไรได้ตามใจชอบไม่อย่างนั้นเราพราะพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราแก่แล้วก็สามารถที่จะตั้งจิตบันดาลให้ตัวเองว่าอย่าได้แก่เลยก็ได้น่ะสิแต่ทําไม่ได้นี่แหละเป็นอนัตตาเราไม่ได้ทําเองโดยความเป็นอนัยตายัางนั้นหรือเราตายเนี่ยก็บังคับว่าเราอย่าได้ตายเลยเราผมหมอกวันหักอะไรก็ตาม เราสามารถบังคับได้แต่นี้เราสามารถบังคับไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราไม่มีอัตตามาทําตัวเราเองให้เป็นไปอย่างไปได้มันต้องมีกระแสเหตุปัจจัยที่พูดอย่างกุจศาสนาต่อไปนีผู้อื่นทําให้คือมีพระเจ้าหรืออัตตาใหญ่มีปฏิเสธเ อ, อลัทธิพระเจ้าลัทธิอีสวนว่าเป็นผู้นเนรมิตเราให้เป็นไปอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างนี้อย่างนั้นแสดงว่าให้กระแสเหตุปัจจัยเนี่ยมันอยู่เหนือ เหนืออะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองทําได้หรู้สึกว่คนอื่นทําได้นะเพราะว่าทำตามกระแสะเหตุปัจจัยถ้าเราจับจุดถ อ, อนของเหตุปัจจัยได้เราก็ทําให้คนอื่นเข้าหายยะนาได้เราจับจุดแข็งของโชคลาภได้แล้วก็ทําให้คนอื่นเขาประสบความสำเร็จได้ถึงว่าคนที่เขาจะมาให้ให้คูณให้โทษให้คุณเนี่ยนะเขาก็จะรู้ว่าคนนี้มีรอยบาปอยู่ตรงไห น, นถ้าคนเราจับรอยบาปได้เนี่ยนะ หรือจุดอ่อนเนี่ยสามารถที่จะไปเข้าช่องตรงนั้นที่จนเรียกว่าเป็นมารได้ช่องมีกิเลสและอีกสองอย่างที่จะเป็นช่องของโกยกไล่เป็นหนึ่งกิเลสอันนั้นแล้วก็ตำมันนั้นอันนั้นคืออันที่จะทําให้บุคคล น, นั้นประสบหายานะอย่างนั้นเขาก็จะมาเข้าช่องเพราะนั้นเราเคยคุยกันที่คำถามกันเนี่ยว่าเอเ อ, เ, อเวลาที่มันมีในพวกกุฏิปิศาลอยอะไรเนี่ยนะเจ้าคงเจ้ากรรมอะไรก็แล้วแต่ แม้แต่ผู้กน็คนกระดาบที่สามารถจะดูอะไรแต่ดิพันลักษณะดูท่างในได้แต่ว่าไม่ไม่สุจริตเนี่ยมันจะมีเไปไ็นหลายกรณีเลยผมไม่อาจจะตอบพิศด า, านได้ไม่อย่างคืยกันแต่ว่าการณีหนึ่งเนี่ยอย่างคนที่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขารู้เขาแค้นแล้วถ้าเขาเราเคยไปทําอะไรเข้าไว้ในลักษณะกรรมันเขาสามารถที่จะมาเข้าทางนั้นย่ำยีแล้วได้ให้มันสอบกล้องกับกรรมที่ทำเขาไว้หรือว่าบางทีเขาเห็นว่าเออไอคนนี้มันมีจุดอ่อนทางกรรมด้านอื่น เจ้ากรรมในเวรเขาก็ไปเข้าช่องอื่นไม่จําเป็นต้องไปเข้าช่องในช่องที่ไปทำเขาไว้ไปทำเขาไว้พี่ดีไปทาเขาคนเดียวไปจะเข้าช่งนั้นมันไม่มีทางเลยต้องไปเข้าช่องอื่นสมดว่าจะไปเอาเข้าคุกเข้าตารางเขาไม่ได้เขาคนรับราช ก, การอยู่ที่ที่เราจะทันกับเขาอยากอะไรอย่างเงี้ยนะสมมตินะหรือไปทำให้เขาเดือดร้อนในนั้นคือมันมีไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่คุ้มกองก็อยู่ก็อาจจะไปทําด้านอื่นเช่นทําด้านโรคโรคภัยไข้เจ็บ อ่าหรือว่าเออคนนี้เขาชอบกินเหล้าแล้วก็ซื้อเหล้าแม่เขากินจะได้ตายเร็วๆอะไรเงี้ยเขาไปกำเริบหรือเป็นคนหูเบาเขเข้าทางหูเบายู่แย่ให้เสียพูดเสียคนไปเลยหรือชอบเล่นการ์ดมานานก็พาไปเล่นการมานานให้หมดเนื้อหมดตัวไปเลยนั้นพวกนี้เขาจะรู้มานเที่อวมานได้ช่องเนี่ยเขาจะดูจุดอ่อนทางดีเลยกัจุดอ่อนทางกรรมที่ได้ทําแล้วก็เข้าทางนั้นแล้วก็จุดเฮงก็เหมือนกันถ้าจะเอาความดีความชอบมาเนี่ยก็จะดูเออคนนี้มีบุญทางนี้ก็ มาคลายมาเสกน้ำมูกน้ำมนทำท่าว่าฉันเป็นผู้บรรดาโจกลาภตามจริงเขารวงเขาเองเป็นแต่เพียงว่าเรารู้ช่องเขาไม่รู้เขามีช่องไม่มี ช, ช่องโชคตอนนั้นเราก็ไปช่วยศพหมองกับเขาพอดีก็เลยได้ดิบไปดีเราก็ยกความดีให้ผู้ชี้ช่องไป น, ะนี่นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเหตุปัจจัย อของเรานี่มันมีอยู่ใครคนอื่นเขาจะมาช่วยเขาจะมาทําลายเราอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าทําได้ทั้งดีทั้งไม่ดีก็เพราะว่าเขาเป็นเหตุปัจจัยเล็กๆอันหนึ่งซึ่งบางทีไม่จําเป็นต้องมีเขาเราก็ได้ความสําเร็จ น, นั้นหรือได้ความล้มเหลวนั้นนี่ถ้าจะว่าทั้งตนเองเป็นผู้ทําทั้งผู้อื่นทำสองแรงช่วยกันก็ไม่ใช่อีกไม่มีใครบรรดาลตัวเองไม่ได้บรรดาลหรือไม่ได้บรรดาล รู้ว่าหนึ่ข้อหลังบอกว่าชะลาบัณฑนานั้นบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทำเองพูนไม่ได้ทําำข้อนี้ท่านหมายถึงเกิดเรื่องลอยๆไม่ได้หมายว่าเกิดได้เหตุด้วยปัจจัยนะคําพูดจะมีหมายถึงเกิดขึ้นลอยๆถ้าเราจะตอบอย่างที่ว่าต้นก็ไม่ทําทำคนอื่นไม่ได้ทําแต่ไม่ใช่ลอยๆถ้าปิเสธตรงนี้ก็เป็นแบบพูดเป็นแบบพูดว่ามีกระแสเหตุปัจจัยหลายๆอย่างมาประชุมกันลําพังเหตุปัจจัยอันเดียวทําอะไรไม่ได้ และลำพังตัวตนอันเดียวนะมันไม่มีตัวตนจะให้ทำอะไรได้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จึงเป็นอันว่าคำถามที่ถามให้เลือกตอบทั้งหมดเนี่ยสองสามคำถามแรกเป็นการปฏิเสธอัตตาทั้งอัตตาภายในอัตตาภายนอกอัตตาเดียวทั้งสองอัตตารวมกันก็ตามและคำถามหลังปฏิเสธเหตุปัจจัยไปเสดเหตุปัจจัยว่าเกิดขึ้นลอ ย, ลอย ไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งนั้นตัวศาสนานั้นไม่ได้ถือว่าเกิดขึ้นลอยๆมีเหตุมีปัจจัยของทุกๆ ก, กกรณีของปัญหาดีถ้าเป็นกรณีของวัฏทุกรของการเมืองจะเกิดเนี่ยก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่มีกระแสของ oh. เหตุปัจจัยในรูปของปฏิจจสมุปาทที่ท่านจะได้ต่อต่อไปว่าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านโกฏิตาจะลาและมรณะ ตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทําให้ก็ไม่ใช่ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทําให้ก็ไม่ใช่บางเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไม่ได้ทําเองผู้อื่นไม่ได้ทําให้ก็ไม่ใช่นี้แค่จะเป็นคําตอบแบบพูดนะครับ ต, อ, ตอไปแต่ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลาและมรณะอะตรง น, นี้เข้าเหตุปัจจัยว่าถ้าเราจะมาคิดกันแบบกว้างๆก่อนเนี่ยนะครับว่าชะลาและมรณะเนี่ย มันเกิดขึ้นจากปัจจัยอย่างเดียวหรือหลายปัจจัยอันนี้เราเราเราตอบดูนะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเราตอบได้ใช่ไหมครับว่าชร า, า อ, ยอย่างคนตายเนี่ยเกิดตายเพราะ อ, อะไรเรามีคําตอบที่จ ะ, ะเสนอ ว, ว่าเหตุที่ทําให้คนนั้นตายเพราะ อ, อะไรเยอะแยะเราพูดว่าการที่คนแก่แก่เพราะ อ, อะไรเรามีเหตุปัจจัยที่จะตอบได้ว่าแก่เพราะ อ, อะไรเยอะแยะใช่ไหมคนทำไรทํานาตาแดดตาฝงก็แก่เร็วคนที่กินเหล้า ทุกทุกวันหัวลา น, น้าก็แก่เร็วคนที่ไม่ออกกําลังกายก็แก่เร็วอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีเหตุยังอื่นอีมากมายหลายเหตุทําให้แก่เร็วอันนี้คือเหตุที่ทําให้คนแก่เร็วเรือไปเป็นเทวดาก็แก่ก็ไม่แก่มาเป็นมนุษย์ก็ก็แก่หรือจะช้าหน่อยก็แก่แต่ว่าเหตุปัจจัยอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ได้เคยพูดถเรื่องของของปัจจัยยี่สี่แล้วมันจะต้องแบ่งเป็นสองเสมอครับ อันนี้จะเป็นหลักในการแก้ปัญหาชีวิตอย่างอื่นด้วยหรือในแง่ของการสร้างความสเร็จอย่างอื่นด้วยจะต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นหัวหน้าเหตุที่จะมาเป็นประธานเหตุถ้าไม่มีประธานเหตุเสร็จแล้วไอ้ลูกน้องเหตุตกหมดทำอะไรไม่ได้ทีนี้ชะลาและมรณะเนี่ยอะไรเป็นประธานเหตุท่านก็แสดงประธานเหตุว่าคือการเกิดเป็นประธานเหตุอันอื่นไม่ใช่ประธานเหตุ เพาเหตุนั้นในปฏิจจานั้นท่านต้องการจะแสดงประธานเหตุจึงได้ยกประธานเหตุของผลโดยลําดับโดยลําดับไปแล้วก็ประธานเหตุเองก็กลายเป็นประธานผลเป็นผลของอันอื่นไปด้วยสภาวะธรรมทุกอย่างนั้นไม่เป็นเหตุอย่างเดียวเป็นต้นิพานแล้วก็ไม่เป็นผลอย่างเดียวดัง น, นเมื่อเกิดก็ต้องมีแก่นี่เป็นผลผลในลักษณะต่อนเนื่อง ผลแบบแรงเฉยนักเนื่องกันมาก็คือต้องการจะบอกว่าถ้าลองเกิดแล้วไม่ต้องไปถ้าจะเอาความเกิดและ อ, อย่างอื่นไม่ไม่จําเป็นต้งพูดอย่างอื่นคือความแก่ความตายโศกการพเทธว่าเนี่ยไม่มีทางจะพ้นได้โดยประการด้วยด้วยขาดนะด้วยประการใดๆต้องแก่ต้องตายแน่นอนคนที่เห็นโทษของความแก่ความตายและจึงเกลียดการเกิดก็ถือว่าการเกิดนั้นเป็นผู้นํามาตั่งความแก่ความตาย ท่านกติก็ถามท่านพระสททบุตรต่อไปว่าและชาติใครทำาพบใครทำอุปาทานใครทำตนรัาใครทำเวทนาใครทำภัศะใครทำสลายเนะใครทำนามรูปใครทำแล้วก็วิญญาณใครทำโดยลำดับเราก็มาดูกันโดยลำดับก็จะเห็นว่าการเกิดของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีใครมาทำให้เราเกิด เอเหตุปัจจัยเป็นปไปตามเหตุกระแสเหตุปัจจัยภายในของเราเองนะฮะเคยถ้านจะว่าว่าเอาเอาบุคคลเข้าไปใส่เนี่ยโดยสมมติก็เราบอกว่าเราทําเกิดจากความพยายามของเราที่เราได้ทําอะไรมาโดยลําดับก็ก็คือพบพบนี่ก็หมายถึงกรรมมาพบก็อุบัติภพกรรมในที่นี้ก็มุ่งเอากำ ม, มาพบตัวนี้เป็นกรรมที่เราได้ทํากรรมเอาไว้ก็จึงต้องมาได้ชาติใหม่อ ต, ตรงนี้มีฐานะเท่ากับสังขาร ตังขานที่เป็นสาเหตุให้เกิดวิญญานนะครับแล้วก็พบนั้นใครเป็นผู้ทำอุปาทานความยึดคือความโลภอย่างแรงความผูกใจอย่างแรงที่เราเ อ, อไอเราในเวลาเราผูกใจเช่นว่าเราผูกใจในการที่จะเป็นมนุษย์ในการที่จะเป็นเดวดาหรือแม้แต่ผูกใจในอาหารรสกลิ่นรูปรอบๆตัวเราเนี่ครับเราผูกใจด้วยปาทาน สนใจอยู่ในอุปาทานแม้จะในอภภาพของเราก็ทําให้เราต้องไปทํากัรเพื่อคือต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยอย่างที่ว่าหรือเราจะเชื่อก ร, รมไม่เชื่อกรรมเนี่ยแต่โดยธรรมดาโดยตัญยาของมันเนี่ยเมื่อยึดในอะไรแล้วต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนไปต่างในที่ว่าจะทําอะไรทําอย่างไรเท่านั้นเองแต่มันก็หมายความว่าเราได้ทําอะไรไปที่ก็ได้กอบเพื่อสนองความต้องการของอุปาทานแล้วอุปาทานม่ะก็เกิดขึ้นจากปัญหา อทีนี้มาพูดถึงตัณหาหรืออุปาทานเนี่ยใครเป็นคนเราบอกว่าใครเป็นคนทําให้เราเกิดอุปาทานเอาประธานเหตุนะต้ก็บอกตัณหาไอ้ความอยากที่มันมันแก่กล้าไอ้เหตุปัจจัยอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องประกอบไม่ใช่ประธานเหตุและตัณหาใครเป็นคนที่ทําให้เราเกิดตัณหาก็โทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษสภาวะธรรมนะที่มันเกิดขึ้นโดยลําดับของมันก็คือเวทนาเราชอบเวทนา อันนี้ไอ้พอพูดถึงสภาวะธรมเนี่ยมันมันไม่ได้มีสัตว์ไม่ได้มุคคลหรอกครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยความชอบก็เป็นสภาวะธรรมสิ่งที่เราชอบก็เป็นสภาวะธรรมแต่ในโลกประทัดของกุฏิชนนึงเอาคนอะไรหลายข้ามาหุ้มห่อสภาวะธรรมทีนี้เวลาที่ไอ้เท่าเราเอาคนอะไรมาหุ้มห่อเนี่ยมันทําให้เราชอบสภาวะธรรมแบบแบบเรียกว่าไม่เลวหมูอรุ่นตาทีนี้ถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเขาก็แปลกอย่างแต่นี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ทําให้ ให้ให้ละได้ก็คือให้กําหนดรู้ไอเราชอบแล้วเพราะจากสภาวัฒน์มันไม่มีคนไ ม, ไม่มีการรวมตัวอย่างงู้เราชอบเวทนาเนี่ยเราไม่ได้ชอบเวทนาอย่างเอกเทศนะเราชอบอย่างเป็นการรวมตัวรวมตัวคือคลุกคลีปะปนกันแบบรวมๆ ม, มันไอตัวภาพมนโนภาพของเราหรือการสรคตปนเปลงไปในในแกนคือตัวเวทนาเนี่ย มันก็ทําให้เกิดความเป็นจริงเป็นจางและเกิดรสอร่อยแล้วเป็นประโยชน์แก่การตรวจตัณหาและอุปาทานเป็นอย่างมากเอาง่ายๆว่าถ้าเราเองเนี่ยเอาแค่กินอาหารเนี่ยนะเวลาถ้าคนปฏิบัติทํำบ่อยๆกินอาหารเนี่ยถ้าเรากินอย่างธรรมดาก็กินเดี๋ยวมองชามมองโต๊ะเพื่อนลโต๊ะมองโดมกลิ่นอะไร ป, ปนๆอย่นี้มันอร่อยมันหุ้มหอเวทนามหมดมไอความคิดมันก็เลยรู้สึกว่าเราชอบไออะไรทั้งหลายที่เป็นตัวฮุ่มหอม อบาทานมันแรงมันชอบระบายสีกิเลสมันชอบระบายสีตัวมันเองระบายด้วยระบายให้เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่ถ้าคนปฏิบัติเนี่ยเขาจะแยกเลยอะอย่างว่าพอได้กลิ่นเนี่ยกำหนดกลิ่นและกลิ่นอย่างดีเข้ามาไอเวลาทำราเราจะรู้ต้องกลิ่นเดียวกลิ่นแกงส้มกับกลิ่นเดียวกลิ่นแกงคั่กับกลิ่นเดียวนแต่เวลากำหนดได้กลิ่นในขณะที่ปฏิบัติทำเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่ามันหลายกลิ่นอยู่ในกลิ่นเดียว มันหลายกลิน่นไอ้บางกลิ่นเนี่ยเราก็มันมันไอ้กลิ่นอย่างที่มันแบบเป็นเคเ็มอะเชื่อมเชื่อมไปไกล็อถนั้น่ะไอ้กลิ่นแบบนี้มันแบบขมๆอะไรเงี้ยอันนี้มีพูดให้ง่ายๆวะแยกให้ฟังอย่างนี้มันก็ปนๆกันอยู่ใ น, นี่ยนะแล้วก็เวลาที่เราเห็นคือถ้าเป็นคนปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่ยุ่งกับใครไม่ดูอะไรนะี่ยมันเวลาปลาเนี่ยชั้นที่ตั้งชั้นอยู่แต่ในบาตแล้วก็ในช้อนอะไรที่เปิดกา็มาแล้วเนะี่ยดูที่นะอย่างที่เราไปเห็นตามบัตรที่ท่านเคร่ง มององเนี่ยเวลาฉันเนี่ยก็บาดปลาป่ามันจะบาดใหญ่ท่านจะตะแคงบาดมาก็ข้าวกล่นบาดกันตักมาพอฉันแล้วก็วฉันมันก็จะซุกหน้าลงมาในบาดเนี่ยแล้วไม่มองใครเลยก็ดูเนี่ยคือให้อยู่กับหนึ่งเดียวแบบแยกไอฉันแบบแยกนะมันก็แปลกอย่างเวลาฉันท่านฉันรวมไออย่างงั้นเราเรามีการรวมกันมไม่ชอบเราชอบรวมแบบเราแต่เวลาฉันเนี่ยท่านแยกไออย่างอื่นท่า น, นรวม มายเนี่ยกายภาพเราจะไปดูเวลาเคื้อวเวลาได้รถเนี่ยรถมันก็จะเป็นรถหนึ่งหนึ่งบางทีทเรียกว่าแยกรถได้ไอ้ความเห็นเป็นสาระเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันลดลงอันนี้เป็นเป็นธรรมดาของคนปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแหละและในที่สุดเนี่ยมันจะจับลงไปได้อันหนึ่งว่าสาระที่เราให้สาระนี่ยจริงๆแล้วมีเวทนาเป็นประหา มีเวทนาเป็นประธานแล้วเราก็ระบายด้วยสิ่งอื่นๆลงไปให้เวทนามันมีชีวิตชีวามีสีสันนั้นเมื่อจับตัวประธานได้คนก็คือตรงนี้อันอื่นนั้งไม่ใช่ตัวประธานไม่ใช่สิ่งปุงโทษและเวลาจะละต้องเรียกว่าต้องเลือกไอ้สิ่งห่อหุ้มเนี่ยไปจับเวทนาให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วมาจับเวทนาได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอ้มันก็แค่นี้มันไม่มีอะไรตัวมันเองไม่มีอะไร เป็นของผ่านมาผ่านไปแต่ว่ามีพลังที่จะทําให้ให้เกิดความยินดีใจได้จากเวทนามาก็กล่าวว่าเวทนาและเวทนาใครเป็นคนสร้างเราเองเนี่ยเราก็เห็นเห็นว่าเราไม่สามารถจะสร้างเวทนาได้ตามใจชอบหรือบางคนอาจจะบอกว่าฉันทําใจได้ฉันสร้างเวทนาได้ควบคุมความรู้สึกได้เราพูดเหมือนว่าเราเป็นคนควบคุมมันได้แต่จริงๆนะ่ย หมายความว่าเราเป็นผู้สร้างกระแสเหตุปัจจัยบางอย่างได้เอาง่ายๆอย่างนี้ว่าเวท น, นารภาษาเป็นไปได้ทุกคนไหมว่าถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็มีภาษาที่ไม่เป็นที่ถูกหูเช่นเสียงดังก็ดีเสียงดังบางคนก็ดังเพราะว่าไอ้ลูกหลานมันเปิดสเตเรโอหรือข้างบ้านเปิดสเตเรโอหรือบ้านอยู่ใกล้ลงโรงเลี้ยงไก่นะไก่ชนไก่อะไรก็มี หรืลงฆ่าสัตว์ก็มีแต่หรือว่าคนในบ้านเองตรงเสกยยอะศกองกวามผู้ดานตุถามื่อทุกคนในเลือกได้ไว่าเราไม่ต้องการเวทนาอย่างนี้เพราะผัสสะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไป ท, ที่อื่นเลือกได้อย่างใจทุกเมื่อเสมอไปไหมไม่เสมอไม่เสมอนี่เพราะอะไรนี่เราพูดได้เหตุควบคุมผัสสะเหตุที่ทําให้ผัสสะต้องปรากฏเนี่ยนะอะไรมันก็มีเหตุถัดลองไปว่าเพราะกรรมบางใช่ไหมหรือเพราะ อ่าพลังไอ้ของความผูกใจบ้างผูกใจคือพลังกิเลสที่ให้ผลในลักษณะไกลไปเนี่ยทําให้เราจําเป็นต้องอยู่หรือยังไนจำเป็นต้องอยู่ที่นั่นมันก็เลยต้องเกิดพัสสะนํามาซึ่งเวทนาที่เราไม่ต้องการนี่มถ้าเป็นการเนี่ยวคนที่ขุมได้ที่ผมว่าเมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าคนที่เลือกได้ในทางกายภาพเนี่ยเลยแต่เมื่อมีใครเข้ามาอย่างเงี้แล้วบอกว่าเออคุณก็ย้ายบ้านทีพูดง่ายแต่ว่าจริงๆเขาทำได้สักกี่คนไม่รู้ ถามว่าทำไมถึงย้ายไม่ได้ก็ตอบออกมาบางคนอาจจะไปไปซื้อเท้าห้าวาติดกันอยู่ไอ้กลางบ้านตรงสิงเจ้าเจ้าแล้วไปบอกเขาย้ายเสาะโรงเด็กก็ไม่ได้เพราะเขาจะไปย้ายไกลจะขายตอนนี้ก็ขายไม่ง่ายแล้วก็ถ้าจะย้ายโดยเทียงไม่ได้ขายจะเอาเงินมาตองที่ไหนมาซื้อมันก็เป็นเป็นไอ้นนข้อผูกพันอันหนึ่งนะหรือบางคนก็อาจจะบอกออมันผูกใจไม่ใช่จำเป็นอย่างนั้นก็ผูกใจจำเป็นอยู่บางคนเนี่ยใจก็ไม่ผูกทางไปก็มี แต่ไปไม่ได้อะไรมันผูกไว้กรรมกรรมนั้นผูกไว้ทําให้มีไอ้ข้อขัดข้ออะไรไน้อยไม่สามารถที่จะหลีกตัวไปได้มันก็เลยต้องเผชิญกับเวกับไอ้เบตนาอย่างนั้นเพราะปัสานะนะที่ถ้าเป็นกรณีของคนที่เขาทาได้ก็ทําใจนะไอ้ทาใจเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทําใจได้แล้วก็การทําใจเนี่ย ก็อย่างที่พูดเรื่องธรรใจไอ้ไอข้อปฏิบัติัเยอะแต่ยกตัวอย่างก็มีหนึ่งพอหเห็นว่าเราอยู่ที่เดิมนั่นแหละอยู่ที่เก่านั่นแหละไม่ซ่องไปไหนนั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าพูดเอาแบบบรรยากาศปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่เรานั่งเนี่ย <c oughs> เราก็จะเห็นเลยว่าเวลาเรานั่งเพมาะว่านั่งตั้งเชีง ม, มงตั้งเชีย ม, มงไอ้ปวดเมื่อยมันมีเอื่อนอ่านมันมี แต่เชื่อเลยครับว่าไอ้พลังของอ น, นิจฐานลงไปแล้วหลมมันแสงแสงกันอยู่พอถ้าคนปฏิบัติในคำพูดนี้จะเข้าใจนั่นดีมันแสงกันอยู่และเราเองเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะกังนดจิตเนี่ยไปตั้งไว้ตรงนี้เอาเอาง่ายๆเนี่ยถ้าหลายๆคนอาจจะจะพอเข้าใจอธิบายตัวเองได้ว่าเวลาเรานั่งแล้วเมื่อยเงี้ยเมื่อยทักมือใหม่ๆก็มันเมื่อยใชทนไม่ได้ทั้งตัวเนี่ยหาจุดขึ้นใจไม่ได้เลย ใช่ใชแต่ถ้าคนพอทำได้ทีเนี่ยไอ้เมื่อยมันจะมีไอ้ไอ้ความอ่อนความเบาความอะไรแสงอยู่ที่ตรงนี้หละครับบางทีถ้าเราตั้งใจแล้วนาว่ามาดูความเมื่อยเราจะรู้สึกอยากลุกทนไม่ได้กายิง่งเอาใจไปกดแค่ตรงนั้นนะจะจะไม่อยากนั่งทําต่อไปเลยจะต้องลุกหาเรื่องลุกอะไ ล, ล่กิเลสมันก็อยากให้ลุกมันก็ยุยุให้ให้โผล่มุกกระนาดอะไรกระนาดอย่างนี้นะ แต่ถ้าเราสังเกตนิดนึงแล้วก็เอาจริงอาจารย์มาเราก็หลบความคิดมันดูที่ตรงนั้นดูตรงอีกมุมหนึ่งที่มันอยู่ในในความปวดเมื่อยก็เราก็รู้สึกเออมันทนได้สบายดีอันนี้เขาเรียกว่าเลือกจับอารมณ์ให้ปัจฉามันไปกระทบตรงนั้นก็จะทําให้เวทนาที่เราต้องการเนี่ยเกิดอันนี้เราก็ยังไม่ได้พูดเรื่อเวทนากุศลและอกุศล น, นะถ้าจจะบางทีเนี่ยเวทนาที่เกิดถูกใจเราแต่มันเป็นอกุศลเราก็ไม่ต้องการมัน นั่นก็เป็นเรื่องของการเลือกค่าอีกทีหนึงในคนที่ทําใจได้เนี่ยจริงก็คือการเลือกที่จะให้อาให้ภาษนาะกระทบอารมณ์ได้อย่างใจแม้แต่เขามาด่าเราเนี่ยอยา่าหยาคายเนี่ยเชื่อไม้มว่ามันมีอะไรดีๆเนี่นะมันมีจุดดีเยอะแยะถ้าเราจะเลือกเนี่ยนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ภาษาไทยเลือกรับ กระทบตร น, นั้นได้มันก็จะได้เวทนาดีๆจากเวทนาจากภาษาอันนี้ก็ง่ายเลย ว, ว่าภาษานี่เกิดเพราะมีสลายเจตนะเป็นปัจจัยทําให้เกิดภาษาอเยตนาหอเยตนาเองก็พัฒนาการมาจากนามรูปจากในปัญจโบการภพอันนี้ท่านบอกก็แสดงกับอัตภาพของสัต์ในปัญจโวกาลภพสลายเจตนะเกิดจากนามรูปซึ่งเหมือนเป็นวัตถุดิกที่กรมเอามาทำเป็นตาเป็นหูเปนจ ม, มูกภายหลงัง นามรูปนั้นก็มีปฏิสมธิวิญญาณเป็นเหตุประธานทําให้เกิดเพราะฉะนั้นในข้อสามคําตอบของพระสารีบุตรนก่อนหนือข้อสามีท่านสารีบุตรตอบว่านามรูปตนทำเองก็ไม่ใช่แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปท่านโกติตาก็ถามต่อไปว่าท่นานสารีบุตรวิญญาณต น, านทำเองผู้อื่นทําให้ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทําให้หรือว่าบังเกิดขึ้น โดยที่ตนเองไม่ได้ทําผู้อื่นไม่ได้ทำเกิดเกิดขึ้นลอยลอยท่นาน菩萨ดิบุตรก็ตอบว่าวิญญาณตนทําเองก็ไม่ใช่คนอื่ไม่ใช่ทั้งตนทัง้งผู้อื่นกไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆยก็ไม่ใช่แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเราจะเห็นว่าคําตอบของ菩萨ดิบุตรสองครั้งนี้คือครั้งที่อยู่ใต้พระสารกับครั้งที่อยู่ในพระสารเนี่ยตอบในลักษณะของอัญญาอัญญาปัจจัยคือนามรูปเกิดก็วิญญาณ แล้วก็พอถามวิญญาณเกิดจากอะไรแทนที่ท่านจะตอบว่าวิญญาณเกิดจากสังขาร ใ, ให้ไปสู่อดีตเหตุท่านก็กลับมาตอบว่ า, เ, าเกิดจากนามลูกนั่นเองไม่เป็นการาวกกลับเฉพาะในปัจจุบันนี้ไม่เลยไปถึงอดีตคือกรรมในอดีตอตรงนี้แหลยครับที่ท่านมหากฏทิตาก็เลยสงสัยแสดงความสงสัยว่าเราทั้งหลายเพิ่งรู้ชัดปฏิสิทิ์ของท่นานพริบุตร แม่ได้บัตรดีเองอย่างนี้ว่าท่านโกติตะนามรูปตนทําเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทําก็ไม่ใช่ทั้งตนเองทําทั้งผู้อื่นทําก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้นเราอาศัยตนเองมาได้ทาก็หรือไม่ได้ทำก็ไม่ใช่แต่เพราะวิญ ญ, ญาณตรงปัปจจัยถึงมีนามรูปอันหนึ่งเราทั้งหลายก็รู้ชัดปราสิสของท่านปัตติิบุตรในบัตรนี้เองอย่างนี้ว่าท่านโกติตะวิ ญ, ญญาณตนทำเองก็ไม่ใช่ผู้อื่นทําก็ไม่ใช่บังเกิดขึ้น เพราะตนเองเพราะผู้อื่นก็ไม่ใช่อีกอแล้วก็ไม่มีใครทําเลยก็ไม่ใช่แต่เพราะนามรูปเป็นประจัยจึงมีวิญญาณนี่เป็นคำพูดที่เหมือนกลับไปกลับมาซึ่งไม่ควรจะเป็นนะโดยหลักปฏิจจธรรมดาจะต้องเลยไปถึงสังขารแล้วก็เลยไปถึงอวิชชาพระสารีบุตรมากลับเสียรตรงนี้ทา่านพระสารีบุตรก็จึงได้ตอบว่าก็เนื้อความของภาษีนี้อาท่านท่านกฤษดาท้วงว่า เราจะรู้ได้อย่างไรจะเห็นได้อย่างไรมันจะดบุตรตอบว่าถ้าเช่นนั้นผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังในโลกนี้มีบุรุษฉลาดบางพวกยอมรู้ชัดเนื้อความของพาสิทธิ์ได้โดยประมาณนี้ก็ท่านจะเปรียบเทียบให้ฟังเป็นการแสดงถึงอัญญามัญญาปัจจัยแต่ใครที่ฟังเรื่องของปัจจัยที่เคยพูดมาแล้วก็จะพอเนื้อเทียบได้ตรงนี้นะครับอผมก็พูดเนื้อความให้ฟังซะก่อนว่า ในตรงนี้เนี่ยท่านพูดถึงวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณซึ่งเป็นตัวปฏิสนธิรองอย่างลงสู่ปัณดาเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเมื่อปฏิสนธิยังลงเนี่ยปฏิสนธินี่ยเป็นตัวจิตพฤติกรรมของจิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นทันท่วงทีเลยที่เรียกว่านามเนี่คือเจตสิกธรรมที่ประกอบอยู่ในจิตแต่เวลาเกิดเนี่ยเขาเอาจิตเป็นประธานเอาดวงจิต พี่สูตรกันดานกันมาเป็นประาธานเจตสิกนั้นเป็นพฤติกรรมของจิตจะเป็นสิ่งที่อยู่มีฐาหนะเป็นคุณสมบัติของจิตทําให้วิญญาณ น, นั้นมีศักยภาพเป็นอย่างไรอย่างไรก็อยู่ที่นามรูปและในขณะปฏิสนธิอย่างลงเนี่ยรูปคือที่อัตภาพที่จิตนั้นอาศัยเกิดที่อวกรรมมชรุกก็เกิดขึ้นทันทีพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังเป็นอัญญามัญญาปัจจัยกัน มันเหมือนกับตัวเราเป็นปัวยินยานพฤติกรรมของเราเป็นนามนะบ้านถนนหนทางที่ละเอียดนี่เป็นรูปโดยธรรมดาเนี่ยถ้าเรามีแต่ตัวเฉยเฉยไม่มีพฤติกรรมเลยไม่ได้ครับใช่ไม่ใช่เช่นไม่หายใจก็ไม่ได้ขนไม่ลุกก็ไม่ได้ไม่กระพริบตาก็ไม่ได้ไม่เดินก็ไม่ได้มีพฤติกรรมทั้งหยาบทั้งละเอียดเมื่อมีตัวแล้วต้องมีพฤติกรรมติดทันทีเลยใช่นะฮะพฤติกรรมหยาบหรือละเอียดก็มีไอ้ข้างในเนี่ยครับ จิตจะเจริละเอียดและไอ้พฤติกรรมเนี่ยมันก็ไม่อาจจะอยู่ได้ถ้าตัวเราไม่มีพฤติกรรมก็เกิดกับตัวเราตัวเราก็อาศัยพฤติกรรมสองอย่างนี้คือตัวเรากับพฤติกรรมของเราจึงเป็นสิ่งอาศัยกันแม้ว่าตัวจะเป็นหลักแต่ตัวก็ต้องอาศัยพฤติกรรมและตัวเป็นที่อาศัยของพฤติกรรมและต่อไปอีกก็คือว่า ทั้งตัวทั้งกุติกรรมลอยอยู่กลางอากาศได้ไหมนะลอยไม่ได้เดินกลางอากาศได้ไหมเอามีลุดนเดินได้เฮจะบอกว่าหายใจกลางอากาศได้อา่าก็กงต้องว่าที่ตั้งไ ป, ไป็นแบบนี่ยมาบอกว่าหายใจกลางอากาศไปตลอดต้องลงล่างก็ไม่ไดก้ก็มันก็เหมือนเป็นที่ตั้งแหละเอาไว้ที่ตั้งที่สูงที่ต่ำที่ตั้งไปอยู่ที่ไหนก็เลยเป็นที่ตั้งนี่พูดถึงอย่างมนุษย์เรา อ่าดังนั้นจึงกล่าวว่ า, าเพราะเรามีตัวเนี่ยบ้านจึงมีเราจึงสร้างบ้านใช่ไหมครับเราจึงหารถหนาล า, าอะไรต่ออะไรมาเพราะเรามีตัวส่งรองรงเท้ามาใส่กันและบ้านเองมันก็อาศัยตัวเรามันอาศัยเราหรือเราอาศัยบ้านบ้านไม่มีคนอยู่นี่เก่าเลยใช่ไหม มันเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยการดูแลรักษาอะไรต่างๆมันก็ต้องอาศัยคน ม, นมันไม่เป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อเทียบแบบง่ายง่ายเพราะเหตุนั่นแหละวิญญาณและนามลูกจึงเป็นอัญญาขมัญญาปัจจัยกันด้วยเหตุชนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนไม้อ้อสองกัมต้องนี้นะครับว่าทำไมถึงต้องเปรียบเียบหมือนไม้อ้อท่านตั้ ง, งปัญหาขึ้นในพูดเรื่องตกระถา เดี๋ยวประมาณอุปมาท่านพธธระธรรมดุษฎว่าพึงตั้งอยู่ได้เพราะต่างอาศัยซึ่งกันและกันอย่างใดนามและนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิ ญ, ญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายชนะเพราะสลายชนะเป็นปัจจัยจึงมีปัจจาร์อพอมาถึงตรงนี้ท่านแสดงจบแค่ปัจจาร์จึงเป็นจุดเชื่อมระหว่างความรับรู้ใหม่ปัจจานี้ถือว่าเป็นจุด เป็นจุดตั้งต้นของความรู้ใหม่กิเลสใหม่กรรมใหม่ก็เกิดมาเพราะภาษากับอายตนะทํางานกันเนี่ครับมีภาษาเป็นจุดเชื่อมระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่เอางี้ก็แล้วกันระหว่างวิบากกับระหว่างกรรมและกิเลสใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมภาษาให้เป็นตัวนําอารมณ์เข้ามานําการทําให้เกิดการรับรู้ไอความทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นโดยลําดับอย่างนี้ ต่างภพสร้างชาติได้อย่างนี้อราวย้อนกลับไปว่าทํำไมถึงเปรียบเหมือนกับอ่อยังไม่หมดอดีอ๋อ่านใด้จบตอนนี้ไปก่อนนะถ้าไม้อ้อสองกรรมนั้นพึงเอาออกเสียกรรมหนึ่งอีกกรรมหนึ่งก็ล้มไปถ้าไปดึงอีกกรรมหนึ่งออกอีกกรรมหนึ่งก็ล้มไปจันใดเรานามรูปดับวิญญาณจึงดับเราวิญญาณดับนามรูปจึงดับเรานามรูปดับสลายธนะ จิงดับเพราะสลายก็นาดับภาษาจึงดับเพรา<อ>ะแล้วก็ความดับของกองทุ่งส ม, มองก็เกิดขึ้นอันนี้แสดงทั้งสายเกิดและสายดับอยู่ในอุปมาณนี้เกลืออย่างเราก็ใช้ไม้อ้อสองกำยันกันอยู่ยังไม่ได้ทําให้ลม้มปัญหาว่าอมผมก็ไม่รู้ว่ารู้จักไม้อ้อกันทุกคนหรือเปล่าไม้อ้อไม้อ้อ น, นี่ขึ้นตามไหนตามน้ําำปะตามน้นํานะมันมีไ อ, อ, อ, อ, อ้ประเภทตะกูลน้อยนะคล้ายค้ายอ้อยไม้อ้อไม้คง ไม้พรงนี้อีกย่างใช่ไหมแล้วก็แยกปล้องแยกปล้องนี้ก็เล็กหม่อยแต่ลักษณะลําต้นอาจจะคล้ายไม้อ้อเนี้ยแล้วก็ไม้อ้อยก็มีแต่ไม้อ้อเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่มีแกนสารไม้บนโรงนะเป็นไม้ที่อ่อนแออ่อนแอไม่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นไม้ใช้สอยอะไรเลยก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากให้กระจาษมันมาสายใบไปทํำรังกันนะ เนั้นท่านจึงบอกว่าที่เปรียบมันไม้อ้อนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่อ่อนแอไม่มีกําลังถ้าเรือนใดกุฏิใดที่เขาบอกว่าเป็นกุฏิไม้อ้อหรือเรือนไม้อ้อแสดงว่าเป็นเรือนที่มีอายุใช้งานจากัดมากรมพัดก็จะพังอของจิ่งไม้ใบไม้มาตกก็จะหักเง่ายๆทำลายได้โดยง่ายฉันใดก็ฉันนั้นนะวิ ญ, ญญาณและนามรูปนะั้นเป็นของอ่อนแอต้องการโยเป็นของอ่อนแอต้องอาศัยกัน ตัวเองก็อ่อนแอต้องอาศัยเหตุปัจจัยตั้งอยู่แล้วก็แต่ละคนเนี่มีเหตุปัจจั ย, ยตัวเองแล้วก็ยังต้องอาศัยการและการตั้งอยู่จึงต้องการจะบอกว่าเป็นของอ่อนแออ่าไอเราเองอาจจะไม่รู้สึกอย่างนี้แต่ว่าในภาคของคนที่เขาเห็นพระวธรรมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอมากแต่ว่าโดยปริยายเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมกับเข้มแข็งเกิดภูมิเข้มแข็งเหมือนเหมือนชีวิตะตดองเนี่ยนะ มีความเข้มแข็งแต่ว่ามองตัวเองเนี่ยเป็นของอ่อนแอแต่กลับเป็นคนเข้มแข็ ง, ขงคนที่เห็นตัวเองอ่อนแอเท่าไหร่ก็กลับจะเห็นตัวเองเป็นคนเข้มแข็งเทั้นกลับเป็นคนเข้มแข็ ง, แ, ขงแต่อันนี้มันอาจจะไม่สอดคล้องกับความคิดแบบโลกน ะ, ะยกตัวยอย่างเนี้ยว่าไอเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณสมบัติในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นของที่ได้เสียไปได้โดยง่าย เช่นว่าในเรื่องของปัญญาเรื่องอะไรอะไรไงนะสมัยเราไม่มามาศึกษาธรรมะไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ทําบุญรงของกุศลมันตกเราก็เลยจะตัวเรียนรู้เนี่ยตัวเรียนรู้บุญรักษาสิ่งที่ดีๆไว้แล้วก็รู้สึกว่าเออไอเราเนี่ยถ้าเราทําอ่อนแอทีนิดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นคนที่ทําอะไรก็ไม่หว่านไว้เลยก็รู้สึกว่าเราจะต้องหัดตัวเองให้เป็นคนเข้มแข็งอนะนอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเมือ่อเห็นว่าตัวเองไม่เป็นสาระเนี่ยนี่ลงหรึอเกิด ปฏิบัติทำและเห็นว่าน า, นารูปไม่เป็นสาระเนี่ยคนปฏิบัติทำเริ่มรู้สึกว่าต้องพึ่งตัวเองเหมือนอย่างเราเนี่ยพอเรารู้กรรมเราเราจะรู้สึกว่าเราต้องพึ่งตัวเองคนพวกนี้ถึงมีแรงบันดาลใจว่าต้องพึ่งตัวเองนานรูปพึ่งไม่ได้พึ่งคือพึ่งตัวเองหมายถึงพึ่งกุศลธรรมตัวเองอ่าสมดังที่พระาพุทธเจ้าตรัสว่าอาจ่าเฮอนาอัตโนนาโถต้นแหลเป็นที่พึ่งของตนแหล่ภาษาเรียว่าต้นนั้นหมายถึงกุศลธรรม ใครที่เข้าถึงกุศลธรรมขั้นกรรมวัชกตาปัญญาก็หวังพึ่งตัวเองในกรรมแล้วก็ทํากรร ม, รมแล้วก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองจะไปตายที่ไหนก็ได้ก็ก็รู้สึกว่าพร้อมจะตายอย่างนี้นะกำนองนี้ถ้าเป็นคนปฏิบัติได้ทําได้อย่างก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็พึงไม่ได้ใครก็พึ่งไม่ได้ไอ้ตัวหมายถึงนามโลกตัวเองมีนคืหมายถึงนางโง ม, มานาโลกนะคนอื่นก็พึ่งไม่ได้นั่นมีแต่ธรรมะเท่านั้นธรรมะก็คือถ้าได้วิปัสสนาญาณก็คือว่าต้อง จึดตรงนี้ไวต้องถือตรงนี้ไว้ก็ไม่จิ้งไม่จริงทำทำก็ไม่จริงพูดนะมันก็เลยเกิดความเข้มแข็งอย่างเนี้ยอาการไปเห็นทีวีตนี้มันให้บทเรียนให้ความสำรวมให้ความเอาใจใส่ตัวเองแล้วก็ก็เลยได้ความเข้มแข็งไปด้วยในตัวทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยเราเนื่องจา้คนที่ตัวเองห่อนแอแล้วนนึกว่าพ่อแม่พึ่งได้นึกว่า อ่าธนาคารขึ้นได้เนึกว่าลูกน้องขึ้นได้เนึกว่าใครระกายขึ้นได้แล้วก็ปากชิงที่เองกระทั่งหุมเก้าเองก็ไม่เป็นทำกับข้าเองไม่เป็นอย่างงี้ยนะทุกอย่างทําเองไม่เป็นเลยไอ้อย่างเราก็เนื่อว่าไม่มีแล้วคนอย่างนี้ไอ้ที่ไหนได้มีครับมีอย่า ง, งที่น้ทไม่รู้จะอิจฉาหรือไม่รู้จะสมเพศดีมีคนแบบนี้ได้ยินในอุเทน ทีนี่ไอ้ไอ้อย่างนี้น่ยมันก็เลยนานเข้ามันแนเพรอไปหวังฝืงแล้วก็ผิดนิดผิดใจหน่อยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะลากลับบ้านก็ไม่ได้พ่อตายก็ไม่ได้เลยพ่อตายยังไม่กลับบ้านอ่ะพ่อกลับไปแล้วใครจะทํางานอะไรย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยมันทํานองนี้จะไปทปําบุญทำกุศลก็ไม่ได้เออพ่อมึงไม่ใช่พ่อกูอะไรอย่างเงี้ มันก็มีคนอย่างนี้จริงๆไม่ได้พูดโกยอะเพราะว่าเขาฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่คนอื่นหมดไม่มีการยกเวืนไม่มีช่องไหนใจเลยสีนี้ทานมุดว่า้เราเองเนี่ยจะต้องตง้องมาอยู่คนเดียวเนี่ยจึงต้องพึ่งตรงนี้ให้มากและจะไม่รู้สึกว่าเสียความมั่นคงในชีวิต เลยไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่หรือพ่อแม่จะตายหรือเราจะต้องไปอยู่ที่ไหนที่ไหนคนมีธรรมะถึงกับชอบเนเพราะอะไรครัเพราะตัวเองแข็งแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปพึ่งคนอื่นคนื่มาพึ่งคนอื่นเนี่ยมาพึ่งทําตัวจนทังรู้สึกว่าคนอื่นนี่ยเขาหวังมาพึ่งไม่ใช่พึ่งคนอื่นไม่งั้นถ้าลำพังปลาลบถึงความประสงค์ของตัวก็ต้องการจะอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมะตัวเอง แต่ถ้าปลานลบถึงความมโนเคราะห์นั่นก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องให้คนอื่นพึน่งพาผมขยายตัวนิดนึงว่าอย่างน้ํารูปกับวิญญาณอย่างที่เคยพูดมาแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังว่าอ่ารูปของเราเนี่ยมันมีผลต่อคุณสมบัติของวิญญาณมไหมบอกมีของจิตถ้าร่างกายเราอ่อนแอส ต, ติปัญญ์ยองปัญญาะอะไรต่างๆนะความมั่นคงอะไรก็อ่อนไปตามไปด้วยแล้วก็เจตสิกที่อยู่ในวิญญาณเรา ที่มันติดอยู่ในปฏิสนธ่เรามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงสมรรถภาพของวิญญาณเรืวิญญาณในหน้าที่มันก็เกิดจากกรรมรับรั่วลงแต่รู้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรมีการควบคุมตัวเองอย่างไรมนันเรื่องของเจตสิกที่มันแสดงถึงคุณสมบัติของดวงจิตคนคุณสมบัติดวงจิตคนในอยู่ที่เจตสิกครับเดะชะฉานมันก็รู้ก็เห็นอะไรอะไรเหมือนเรารู้เราเห็นดีบางทีจะรู้เห็นได้ดีกว่าเรา แต่ไอความเข้าถึงในใจคำเงาความเข้าถึงประโยชน์ของสิ่งที่เห็นความทราบซึ้งความลงลึกของสิ่งที่รู้ที่เห็ น, นเาานี่ยในหลักฐานเขาไม่ไม่ได้ถ้าเราเอากําไรข้อเท้าประดับเพ็ดไปใส่ไปาคล้องคอหมาคล้อ ง, อ ง, องเอาหมาขอใช้คำภาษาไทยสุนัขไม่ความรู้สึกมากแค่ไหนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยดีไม่ดีลําคานได้ แต่ถ้าเอามาคล้องคอคนเกี่ยเอาเพจตาแมวมากล้องไอ้ไอ้แมวที่มีตาเพจมันคงไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่คนที่มีเพจตาแมว่รู้สึกมาก น, นี่คือไอ้รสชาติของอารมณ์เนี่ยก็ได้ประโยชน์มากน้อยแล้วก็เรื่องภูมิปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงขนาดเรื่องโลกโลกเขายังไม่ได้รสชาติเพราะก็มีแต่จิตวิญญาณแต่ไม่มีตัวขยายรสคือเจตสิก ในตอนท้ายที่สุดของสูตรนี้ท่านโกฏิกาจึงบอกว่าน่าอัศจรรย์ท่านสาริบุตรไม่เคยมีมาท่านสารลิบุตรเท่าที่ท่านสาริบุตรกล่าวนี้เป็นอันกล่าวดีแล้วก็แ ล, แลวราทั้งหลายรอยินดีดุปาสิทธ้ของท่านสารีิบุตรด้วยเรื่องสามสิบหกรื่นเหล่านีเา้เรื่อง36เรืหก่เนี่ยคืออะไรผมเขียนเป็น สิบหเนี่ยท่านโกนทิตกหมายถึงองค์ของปฏิจจาที่ท่านถามมาตามลาดับตั้งแต่ธ า, ารมรณะจนถึงวิ ญ, ญญาณนี่สิบแล้วนะแล้วก็ความเกิดกับความดับอีกสองที่ว่ามันจกไม่ออกไม่ อ, อ้อพิจารกาเป็นความเกิดเอาไม่อันใดหนึ่งออกเป็นความดับปฏิสนี่วิญญาณไม่ย่างลงคุณสมบัติของชีวิตก็มีไม่ได้นามลูกก็โผลไม่ได้ แล้วก็คูณด้วยสามหมายถึงท่านว่าคูณด้วยลักษณะของธรรมะกรถึกธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมแล้วก็ทิฏฐธรรมะนิพพานนิพพานในปัจจุบัน ต, ตรงนี้ก็มีบทอธิบายว่าธรรมะกระถึกคือในที่นี้ก็หมายถึงธรรมปฏิบุตรเนี่ยครับได้แสดงถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้ได้คุณขององค์พระธรรมะกตะึกผู้สแสดงธรรมอย่างดีนี่อันหนึ่ง เป็นเรื่องเทสนาสมบัติของพระสัททบุตรน ะ, ะแล้วก็ต่อไปก็คือทรรมานู้นธรรมะปฏิบัยหมายถึงการปฏิบัติเมื่อแสดงธรรมะก็เป็นผลต่อการปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติแล้วก็จึงแสดงธรรมะได้อย่างลึกซึ้งอย่างนั้นก็ได้ใครแต่จะพูดถึงใครและสุดท้ายก็คือที่จะทำอนิยพันธ์นับตอนหลังเนี่ยจุดนะไม่ใช่ตะลุนับปัดโตปัดปดตาหมายถึงเข้าถึงบรรลุ ที่จะทำนิพพานหมายถึงนิพพานในปัจจุบันหมายถึงอตุ ป, ปาสาวตุปาที่เสดสนิพพานนิพพานที่ยังไม่ตายมีนิพพานแต่อารมณ์ก็เลยสอดคล้องกันเลยคือปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทเนี่ยเป็นในของปริยัตปฏิบัตปฏิเวทปริยัตปฏิบัตปฏิเวทเนี่ยก็เป็นคือถ้าปริยัตพูดถึงพูดแสดงก็คือธรรมกึ่ถ้าพูดถึง ตัวตัวทฤษฎีก็เป็นปริยัติพระไตปิฎกันเป็นปริยัติเอกสานนี่เป็นปริยัติผมคนพูดเป็นดำกระดึกแล้วก็การที่ปฏิบัติเอาธรรมะนั่งไปปฏิบัติก็เป็นธรรมะนันธรรมปฏิบัติมีสูงมีต่ำแล้วก็การบรรลุนิพพานได้ซึ่งหมายถึงขนขั้นสูงเนี่ยก็เป็นเป็นปฏิเวทหลวงเป็นปฏิเวทคือไอ้ปฏิเวที่เป็นตัวยานเรียปฏิเวทแต่ยานได้อะไรถึงอะไรถึงนิพพาน เป็นอารมณ์ของปฏิเวทเป็นนั้นว่าประสูตรนี้จบทางนี้เวลาเกินไปตามสมควรใครที่ยังไม่ได้เชี่ยวเสด็จมลด้ือดวงใจยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อ ย, ยลองไปขอได้ที่คุณเขียนนะเทียวเสด็จมลของพิษุมีกับพิษุชา ล, ลังกานะครับถ้าเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านได้ บริจาคบุญกุศลของท่านแล้วก็ได้ให้เมตตาจิตของท่านแก่สรรพสัตว์ไม่เลือกน้าการทำอย่างนี้แม้ขณะทำก็เป็นบุญอีกส่วนหนึ่งด้วยสร้างอุปนิสัยในทางเมตตาให้เป็นบุคลิกประจำตัวไปด้วยขอเชิญสัตว์ทั้งตัวทั้งที่รออยู่แล้ว ในที่นี้จะรอรับส่วนบุญก็ดีหรือผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในการฟังธรรมด้วยกันก็ดีจะมาเองหรือติดตามผู้อื่นมาก็แล้วแต่ขอให้อย่างกายวาจาให้ถึงพร้อมอยังกันและกันให้อนุโมทนาบุญของพวกเราทั้งปวงขอให้บุญที่เข้าไเจ้าเริงกระทำด้วยการฟังธรรม สวดมนต์ไหว้พระบริจาคทานที่ดามแล้วทั้งหมดในวันนี้และในวันอื่นๆด้วยพระพเจ้ า, จาทั้งหลายขออุทิศบุญให้กับพวกท่านทั้งหมดทุกท่านทุกคนสิ่งใดที่ท่านมีความจําเป็นเร่งด่วนมีความต้องการอย่างเร่งด่วนมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนขอให้ความต้องการของท่านอย่างนั้นอย่างนั้น จงสำเร็จโดยฉับพลันจงสำเร็จโดยฉับพลันด้วยอำนาจบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ท่านซึ่งท่านอนุมโมทนาด้วยดีแล้วขอให้ท่านได้อัตภาพที่บริสุทธ์ข่องใสได้ถือกำเนิดเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นมีอาหารบริโภคอุดมสมบูรณ์